ปักธงยังไงมานแห่งการทําความดีอย่างหนึ่งคือความประอาใจหรือความท้อใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นในตอนเลิกทําความชั่วและเริ่มทําความดีมูลเหตุแห่งความประอาใจนั้นหนึ่งจากเราเองปักธงผิดที่คือแทนที่จะทําความดีโดยตั้งใจจะให้ความดีที่เราทํานั้นปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้นในตัวเราเอง แต่กลายเป็นว่าทำความดีไว้ให้คนอื่นเขาชมหรือทำไว้เพื่อข่มคนอื่นให้เขาพ่ายแพ้แล้วเราก็ตั้งใจยึดถือว่าการได้คำชมและการได้เห็นคนอื่นพ่ายแพ้นั่นเป็นผลของความดีพอตั้งใจอย่างนี้ความยุ่งยากก็ชักจะเกิดขึ้นเหมือนคนอาบน้าแทนที่จะคิดว่าเราอาบน้าเพื่อให้ตัวเราสะอาดปลอดโปร่งกลับไปคิดว่าอาเพื่อให้คนอื่นเขารักเรา หรืออาเพื่อให้คนโน้นสวยสู้เราไม่ได้นี่เรียกว่าปักธงของการอาบน้ำไว้ปิดที่ธงของผู้ทำความดีก็เหมือนกันถ้าปักผิดที่ก็ยุ่งก็ขัดที่ขัดก็ขัดในตัวเองไม่มีใครเขามาขัดสักนิดตัวเองทำให้ตัวเองขัดแท้ปากคุยกับคนพี่แต่หางตาไปชำเลืองหาคนน้องแล้วรักใครกันแน่คุณประเดี๋ยวก็ได้ลอยทั้งพี่ทั้งน้อง เท่า น, นั้นเองทำดีแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์ทุกข์ที่จะต้องหาจังหวะเหมาะทำให้คนอื่นเห็นทุกข์ที่คิดว่าทำไงหนอคนที่เห็นเราทำดีแล้วจะได้หลงเข้าใจว่าอัตมาได้ทำความดีมากมายเหลือเกินถ้าไม่มีใครรู้เห็นก็ทุกข์หนักข้าไปอีกว่าเสียแรงเปล่าๆไม่ได้ดีอะไรเลย ตกลงว่าในการทำความดีนั้นเราเอาธงที่หมายไปปากไว้ที่คนอื่นเป็นต้องเจอทุกเจอแน่ๆตัวทุกที่เราเจอนี่แหละที่ทำให้ใจเราอ่อนและอยากจะเลิกทำความดีความจริงผลของความดีย่อมมีอยู่ในตัวความดีนั้นแล้วพอทำก็ได้เหมือนผลของการอาบน้ำมันก็อยู่ในการอาบน้ำทีเดียวเราได้ผลตั้งแต่อยู่ในห้องน้ำแล้ว ส่วนใครจะชมว่าเราสวยหรือไม่นั้นมันเรื่องของเขาเรื่องทำดีเหมือนกันเขาจะชมเราหรือไม่ชมนั่นมันแล้วแต่เขาแต่เขาทั้งหลายจะชมเราหรือไม่ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้มาอาสาว่าจะคอยชมให้เราเราเองต่างหากที่ไปคิดแต่งตั้งเขาไว้ว่าให้เขาเป็นผู้คอยชมให้เราเขาไม่ได้ผิดเราสิผิด คนที่ทำความดีแล้วคอยแต่ที่จะเอาคำชมจากคนอื่นนั้นเป็นคนมีกรรมเหมือนคนที่สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเที่ยวเอาลูกกุญแจไปฝากไว้กับชาวบ้านตัวเองจะเข้าบ้านแต่ละทีแสนจะลำบากใจต้องคอยว่าเมื่อไหร่คนพวกนั้นเขาจะมาเปิดกุญแจบ้านของเราให้ยิ่งถ้าใครคิดใหญ่เกินตัวทำดีแล้วอยากให้คนอื่นตั้งร้อยตั้งพันมาชมก็ยิ่งทุกใหญ่ เท่ากับสร้างบ้านขึ้นหลังเดียวแล้วใส่กุญแจร้อยดอกพันดอกเสร็จแล้วก็กุญแจไปเที่ยวฝากไว้กับคนร้อยคนพันคนเสร็จแล้วเมื่อไหร่เราจะเข้าบ้านได้หนักเข้าลงทุนปลูกบ้านอย่างกะวังตัวเองอาจเป็นผีอนาถาอยู่นอกชายคาบ้านก็ได้นี่เปรียบเทียบให้เห็นคนที่ทำความดีไว้ให้คนอื่นชมนั้นก็คล้ายๆกันคือแทนที่จะสุขใจ ในความดีนั่นเองกลายเป็นว่าไปคอยสุขใจต่เมื่อคนอื่นชมให้หมายความว่าความดีนั้นเป็นของเราแต่ต้องให้คนอื่นอนุญาตก่อนเราจึงจะสุขใจและคิดว่าความดีได้ผลถ้าท่านเป็นโรคระอาใจอย่างนี้ขอแนะนําว่าลองย้ายที่ปักธงเสียใหม่บางทีจะทุเลาลงได้